ลำดับที่หนึ่งคติธรรมก่อนฟังธรรมแผ่นที่ห้าบอ็ดโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีคติธรรมก่อนฟังเอ3สแผ่นที่ห้าอดให้คติธรรมว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำสุขมาให้คำว่าจิตที่ฝึกดีแล้ว การจะฝึกจิตฝึกใจถ้าหากว่าเราไม่รู้จักวิธีการฝึกเราก็คงจะฝึกได้ยากแต่ขนาดที่เราจะฝึกพวกสัตว์สารสิงเอามาใช้งานเราก็ยังมีครูฝึกฝึกสุนัขฝึกช่างฝึกม้าเราก็ยังมีครูฝึกแต่ฝึกจิตใจคำนี้เนี่ย ถ้าว่าเราไม่ได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาหรือเราไม่ได้รับธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนำพวกเราจะฝึกจิตใจด้วยวิธีอย่างไรมองไม่เห็นเพราะว่าคำว่าจิตใจคำนี้คือเป็นนามธรร ม, มแต่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากมาเป็นอันดับหนึ่งท่านจึงยกเป็น พุทธภาสิลึกพระบาลีว่ามโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเศรษฐามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจพราอนั้นจิตหรือใจหรือผู้รู้หรือนา ม, มธรรมคืออันเดียวกันแต่ว่าเราเรียกเป็นไวโพสเปลี่อนเรียกแตกต่างกันเท่านั้นแต่สรุปแล้วก็คืออันเดียวกันคือตัวรู้รู้อยู่ใน ร่างกายของเราในสมองของเราเพราะฉะนั้นการที่จะฝึกจุดนี้ฝึกตัวผู้รู้เนี่ยไม่ให้มันออกนอกลูก่นอกทางไม่ให้มันทะเลทลายให้มีสติสัมปชัญญะให้มีสมาธิในการเรียนการเรียนรู้การศึกษาต่างๆจะทํำยังไงต้องอาศัยสมาธิตามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าสมาธิคํานี้คืออะไรเราจะกําหนดที่ให้มันอยู่จุดไหนในหลักธรรมท่านบอก มีกรรมฐานที่จะทําให้เราฝึกจิตให้อยู่ให้มีความสงบนั้นมีหลายอย่างตัวกรรมฐาน40อย่างแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักเคารพนับถืออย่างสายหลวงปู่มั่นท่านก็ให้ภาวนาพทุทโธกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกให้ดูที่ลมหายใจอันนี้เป็นการฝึกจิตเบื้องต้นเมื่อเราฝึกจิตของเราได้ดีแล้ว พวกเราจะมีความสุขทางด้านจิตใจมันจะปุุงฟุ้งไปทางไหนก็ให้อยู่กับกรรมฐานบังคับให้อยู่กรรมฐานให้อยู่กับความสงบให้อยู่กับกรรมฐานที่เราได้ตั้งเอาไว้จิตใจของเราจะไม่ปุุงฟุ้งแต่ถ้ า, ถาว่าจิตใจเราปล่อยตามเรื่องที่มันจะให้มันไปบางทีเราคิดทั้งวันทั้งคืนทำให้สมองของเราปั่นป่วน เ, นเอเผลอนอนไม่หลับเป็นประสาท ค <S an> ็ดปุ่มฟุ้งออกไปได้ง่ายๆเพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงฝึกจิตฝึกใจด้วยสมาธิตามแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้อบรมแนะนำสั่งสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง MP 3แผ่นที่51นี้ถ้าเราเปิดฟังเข้าไปเราก็จะรู้ได้ว่าวิธีการฝึกจิตนั้นฝึกอย่างไรวัะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายตั้งใจฟัง ในเมื่อตั้งใจฟังแล้วพวกเราจะได้แนวความคิดวิธีการฝึกจิตฝึกใจด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนตไรยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายด้วยอํานาจปุญบามีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอให้คุ้มครองพวกเราขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราถนาสิ่งใด